วิชาที่ลูกเลือกแม่ก็เป็นทุกข์นะสุขนี่รักเท่าไหร่ก็เป็นทุกข์มาเท่านั้นรวมทั้งสิ้ให้ความสุขกับเราทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะทุกข์นี้มันมันไม่ก่อพิกสงมากจนกว่าเราจะเกลียดมันนะเพราะว่าพอเกลียดมาแล้วนี่มันก็ยิ่งซ้มเติมความทุกข์เข้าไปใหญ่เช่นความปวดความเมื่อยนี่มันก็เป็นทุกข์นะ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 ทั้งรักสุขก็ตามทั้งเกลียดทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นตัวปัญหาหเมื่อเรามาในแง่หนึ่งมันก็มีประโยชน์นะมันผลักพลาให้เรามาถึงนี่มาปฏิบัติพวกเรามาที่มาปฏิบัติส่วนนี้ก็เพราะความรักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละแต่ว่าพอมาถึงนี่แล้วพอมาจเจริญสติด้วยแล้วเนี่ย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 เกิดอะไรขึ้นก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันไม่สงบมันไม่อโปร่งบาเหมือนเมื่อวานให้รู้ว่าที่ทุกข์นี้ก็เพราะรักสุขนะให้รักความสงบอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานรักอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ฝ่ายบวกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานลแล้เราก็ยึดนะพอมาปฏิบัติวันนี้ใจก็ยังอยากจะได้อย่างนั้นอยู่พอไม่ได้นี่ทุกข์เลยฉทั้งที่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 ภาพบางรูปนี่งุดกินมากถึงขั้นเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองเพราะว่ามันเครียดนะเครียดจนลืมตัวแล้วที่เครียดก็เพราะว่าใจไม่สงบฟาดรองเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองแล้วก็บอกว่าทำไมันคิดมากแบบนี้คิดมากแบบนี้ก่อนมาปฏิบัตินี่คิดมากก็ไม่เป็นไรเฉยเฉยแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยอยากจะให้ความคิดมันหยุดไอ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 เราเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นไหมจริงๆเวลาเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ว่ากายนุปัสสนาเวทนาจิตตายึงธรรมนุปัสสนาเนี่ยนะถ้าเราอ่ า, อานหรือศาธยายนะถ้าสูตรในส่วนนี้ก็จะพบว่าเนี่ยท่านจะมีประโยคตอนท่ท่านเน้นวันเนี่ย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 ความเกลียดและความรักนี่รวมทั้งความพอใจและความไม่พอใจนี่เรายืนยันว่าความปรุงแต่งมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยตโนมัติมันเหมือนเวทนา น, นเวทนาทางกายเนี่ยเกิดขึ้นโดยตโนมัติเมื่อเกิดพัฒนาขึ้นมาบางครั้นมีเวทนาบางครั้งไม่มีเวทนาบางครั้งอ่าบางครั้งมีทุกขเวทนาบางครั้งไม่มีทุกขเวทนาแต่เป็นสุขเวทนามาแทน และบางครั้งก็เป็นอุทกธรรมสุขเวทนาคือเป็นกลางๆทงนันทีที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะเวทนาเกิดขึ้นแล้วจะเป็นสุขหรือทุกข์จะเป็นอุทกธรรมสุขก็ตามมันเกิดขึอัตโนมัติปฏิเสธไม่ได้ส่วนความชอบความชังความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความยินดียินร้ายเนี่ยอันนี้เป็นความปรุงแต่งละ มันมีจุดชี้มันมีเส้นแบ่งตรงนี้นะเวทนาทางกายนี้เกิดขึ้ น, ดนโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดพรรษาพระพุทธเจ้าก็มีพระอาหารหันต์ก็มีแต่ว่าความชอบความชังความยินดียินร้ายความพอใจและความไม่พอใจนี่พระอาหารหันต์พระุทธเจ้าท่านไม่มีละแต่ว่าปุถุชนยังมีอยู่ตรงนี้แหละที่มันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ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 ส่วนทุกข์ใจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดผัสสะตากระทบลูกหูได้ยินเสียงถ้าหากว่ารู้เฉยๆเกิดผัสสะขึ้นเฉยๆไม่มีการปรุงแต่งมันก็ไม่มีความทุกข์ใจแต่ว่าร้อยท้องร้อยเนี่ยนะพอเกิดผัสสะขึ้นมามันเกิดการปรุงแต่งตามมาทันทีเช่นชอบไม่ชอบ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 เราได้เงินร้อยนะแต่เพื่อนได้สิบบาทเราก็จะรู้สึกว่าร้อยนี้มาแต่ถ้าถึงแม้ว่าจะได้หนึ่งล้านแต่เพื่อนได้สองล้านนี่ไอ้หนึ่งล้านนี่ยกลายเป็นน้อยไปพอรู้สึกว่ามันน้อยไปไงทุกข์ไม่พอใจรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมฉันน่าจะได้สองล้านเหมือนเขา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 ม้กระทั่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจก็ไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราพอมันไม่เป็นไปตามใจปราถนานี่ทุกเลยให้ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนี่มันเป็นตัวรากเง้าของความทุกข์มันเป็นรากเงาของกระบวนการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจในเวลา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 แต่พอมีสติแล้วมันรู้ตัวพอมันรู้ตัวปุ๊บมันก็หยุดการปรุงแต่งได้ยินเสียงหรือว่าได้สัมผัสรับรู้แล้วก็ตามก็สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารับรู้อย่างที่พระเจ้าได้สอนท่านภัยยะว่าเนี่ยเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งาสักแต่ว่ารู้แจ้งรู้แจ้งนี่ที่หมายถึงรู้แจ้งธรรมารมสักแต่ว่าก็คือว่ารู้เฉยๆนะ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 ทุกขโท ม, ม น, นัสก็ไม่เกิดขึ้นกระบวนการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยนะที่จริงก็ถ้าเราศึกษาหลวงปฏิจจสุ บ, บาก็จะพบว่าเนี่ยมันก็คือนะกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเวทนาไปตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะโดยพระตรงเนี่ยตัวตัณหาอุปทานภพชาติ น, นี่ยคือกระบวนการปรแต่ง ที่พูดว่าที่พูดปรุงแต่นเนี่ยคือพูดแบบย่อๆสั้นๆนถ้าพูด เ, ต, เต็มยศก็คือเนี่ยตันหาอุปทานภพชาติแต่ว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ตันหาอุปทานภพชาติมันคืออะไรพูดง่ายๆคือปรุงแต่งและสิ่งที่เราปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เคยเที่ยงเลย น, นั่ น, กกามมา น, นเรียกว่าชรามรณะแล้วก็ทุกโทมนัตก็ตามมานันนี้เลยว่าทุกใจ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 เพราะว่าจะน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบจะดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบนั้นถ้าเกิดว่ า, าเปรียบเทียบไม่เป็นนี่มันก็ทาให้เห็นแต่หรือพบแต่ความไม่สวยพบแต่สิ่งที่มีจำนวนน้อยสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจแล้วทุกก็ตามมา